จะอยู่ว่าหนึ่งล้านอะไรหนึ่งล้านนะแต่ว่าไม่ต้องทุ่มเทมากนะทุกคนนะค่อยๆผ่อนผ่อนที่น้อยมันหนึ่งปีสามรอิดพวันนะพ ก, กันติดสองครั้งใช่ไหมถ้าก็พบที่นี่ก็พบมาพบที่วัดต่างหาอีกก็มีอีกตามนี้นะสักปีหนึ่งก็พอได้เยอะก็ถวายข้างข้างหนึ่งไอ้ที่วัดนั้ท่านตังให้เป็นศูนย์ของเคราะห์คนยาจนในถิ่นทากัมดานไป็น่นี่ก็ไม่ไหว ไปไม่ไหวแล้วดีไหมแล้วก็ไม่เลิกเอาเด็กเป็นศิษยระกันดานมาศึกษาที่วัดคนที่ไม่มีสตังจริงๆนั้นมีเยอะในปีหน้าก็จะจบปัญญาตีไปประมาณสามสิบคนเด็กที่ไม่มีสตังเนยะนเลี้ยงทุกอย่างเสื้อผ้าก็ให้หนังสือก็ให้ทุกอย่างไม่ต้องเสีย ก็ลงความว่าเราก็ทําให้การจะทําแคบไปที่วัดเด็กชาวเขาก็มีน ะ, ะไม่เหมือชาวเราน ะ, ะมีทั้งหมดเราทำมาอยู่แล้วแต่อีกทีเราทำไม่ไม่ไกลามากที่วัดําไกลๆมากก็ช่วยแบ่งปันไอ้ทรัพย์สินที่มีอยู่ช่วยเล็กเล็น้อยพอสมควรหลายหลายคนหลายครั้งยังเข้าใจเลยสองล้านนะเลือกเล็กชักสองล้าน ถ้าเลยสองล้านจะเอาไว้จะว่าให้แก่นฉันตั้งไว้สองล้านนี่ถ้าเลยไปกเป็นของฉันเอ้ยพยายมกลางมันชียร์นะจะพังจดย์จะพังจดแน่จะเริ่มโจทย์ละทีมันละจะเสียท่าพยายมตะแล้มอะอราบันดาแยกยมพุทธบริษัทตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานสีนั้นมาทานเนกรรมฐานเสียมันก็ไม่ไหว จงนองไหลวันนี้เป็นวันน yes ี own ่สองของเดืนกันยายนในการแนะนำเจริญเจริญระกรรมฐานสมรด็จเจ้าพุทธวรสทุกท่าน อันับแรกที่ใหม่ก็ดีเก่าก็ดีอย่าลืมลมให้ใจเข้าออกอับคำภาวนาก็าต้องสองอย่างนี่เป็นการควบคุมสติสมัชย์ยะให้ทรงตัวถ้าสติสมัชย์ยะทรงตัวดีแล้วสมาธิก็ทรงตัวได้นานเรื่องคํภาวาก็ดีลมหายใจเขาออกก็ดีจึงีจึงจัดว่ามีความต้องกันมาก ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้าก็วนาตามให้ใจออกภาตามถ้าญาติโยมที่มาทีหลังไม่ทราบว่าเขาใช้คานาวว่ายังไงให้ใช้คำว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธใละใจออกั้งว่าโทถ้าญาติโยมที่เคยปฏิบัติมันแล้ว ช่องแบบไหนทําตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนนึกาในการกระโดร่วงเราไม่แจ้งเขาออกธรรดาแยโยงพุทธบริษัทถ้ารู้จักทมคุ้มไม่สมัคเสมอจิตจะเป็นฌานเร็วคำว่าฌานมาจาว่าการสรงสมาธินี่ดีมากดีเป็นขั้นขั้นฌานหนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่เหมือนกัน วันนี้จะพูดเฉพาะฌานที่หนึ่งก่อนเอาแค่ฌานที่หนึ่งก็พอไม่หนักคนได้ฌานที่หนึ่งสา ม, มารถเป็นโสดาบันกาบไตงคารมีได้ถ้าจิตของเราเข้าถึงฌานที่หนึ่งจะมีความรู้สึกตามนี้คือว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีพิจารณาเขาตามรูรม้ลมหายใจเขาออกก็ตาม หูได้ยินเสียงชัดทุกอย่างเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์เสียงคนพูดเสียงสุนักกัดกันเนื้อห่ากัดนี่เป็นต้นได้ยินทุกอย่างตามที่เขาพูดแต่ถ้าว่าเราไม่ําคาญในเสียงจิตสามารถคุมลงให้ใจเขาออกได้เข า, าบรรลุนานได้ตามปกติอย่างนี้เปลี่ยนากายเขชาดีหนึ่ง ถ้าจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งได้จิตจะมีอารมณ์เรียบต้องพยายามฝึกบ่อยๆให้คล่องการทรงฌานใหญ่ใช้เวลานานถ้ายังใช้เวลานานกว่าเข้าถึงฌานแสดงว่ายังอยากอยู่มากต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆจอกระท่ง น, นึกพับสามารถเข้าฌานในทันทีวันี้วันวันนส้วันนม้ันึก้วันน้นมาน้น้น ถึงลม ใ, ใจเขาออกก็ดีคำบรรณาก็ตามหูจะไม่สําคัญในเสียงอารมณ์จะมีสารเยือกเย็นยังไม่ที่ว่าคล่องในฌานในการรู้ลม ใ, ใจเขาออกกับคำบรรณานี่มีความสําคัญมากเป็นการป้องกันนิวนห้าประการได้และประการที่สองก็เป็นการป้องกันอับอายภูมิได้ด้วย ทั้งนี้พอะรเราะว่าถ้าเรามีฌานสมบัติและมีสมาธิดีแม้แต่ฌาเนเบื้องต้นขณะที่จะตายเราจะไม่หลงตายนั่นหมายความว่าขณะที่จะตายพอดีพระพิจญาจะดีอยู่จิตเจนึกถึงพระอยู่เสมอและจิจิตถือว่าจิตจะนึกถึงสิ่งที่เป็นบุญกุศลอยู่เสมอถ้าขนาันดาก่อนจะตายจะไม่เราําบากมากสักเท่าไรก็ตาม แต่ว่าถ้าจิตนึกถึงพระก็ดีนึกถึงเสียงแจวําบุญก็ตามเราจะไปสวรรค์อเอาแค่นี้พอไหมถ้าอยากไปสู้กันแล้ว <c oughs> เฮอเียงก่อนฤาทีต่อไปก็จะมาเล่าเรื่องสู่กันฟังความจริงมาเที่ยวนี้นะตบูติจะอยู่ที่วัดเจ้งพูดไม่ชัดหรอกดิ้งมิ่แข็ง มาที่นี่ยังแข็งอยู่บ้างแต่แข็งน้อยบางศั์อาจจะฟังไม่ชัดขอเล่าเรื่องสู่กันฟังคือว่าเมื่อวันที่1ิบสามสิงหาคมสองพันหรอยสิห้าเวลาตอนเช้าประมาณแปดนาฬิกาเศษเศษเสดจารภารกิจตอนเช้าก็ตั้งใจจะภาวนา เป็นตัวลงนอนเงี้ชันยาวใช่ไหมเป็นตัวรงนอนพอเริ่มจับลมให้ใจเขาออกให้ใจพอให้ใจเข้าก็ดินเสียงพูดบรกคุณอย่าเพิ่งไปเทวสภาไปสำนักผมก่อนเป็นเสียงของพระยายโยมก น, นันทบัญชีก็เลือกไปดูท่านเห็นท่านสององค์ยืนใกล้ๆถามว่าลุง เป็นธุระสำคัญเลยที่ให้ไปท่านบอกถ้าไม่สำคัญผมก็ไม่มาตามต้องสำคัญมากก็เลยตามท่านไปท่านก็นำหน้าฉันเดินตามหลังพอเข้าเขตเห็นทิวดาแต่งตัวเต็มเต็มอัตราตามปกติถ้าไปที่นั่นทำอยู่การสอบสวนนะทเทวดาแต่งตัวปกติในฐานะทำงาน แต่ว่าวันนั้นแต่งตัวเต็มยศเต็มอตราหมดยืนสองแถวก็ผ่านแถวเข้าไปเขายกมือยกมือไหวแต่ว่าการไปเขานี่ไม่เข้าสถานที่สอบสวนเข้าห้องโถงของวิญาญมที่ห้องโถงเป็นว่ามีกอีกสวยมีแท่นสวยเป็นสีทองผสมแก้ว สวยมากก็ไปนั่งเก้าอี้ตรงกลางพยายยมนั่งขวาในบางทีนั่ ง, งซ้ายเห็นห้องโล่งๆไปถามว่าลุงไม่เห็นงีอะไรนี่ไปตามท่านมาทำไมลุงก็บอกว่าต้องมีครับว่าเดี๋ยวก็มีพอพูดจบก็ปรากฏว่ามีเทวดาแต่งตัวชุดขาวทั้งหมดเพชรใสหมด ประมาณสองร้อยองค์เศษเข้าไปในห้องประชุมพอเข้าไปนั่งเรียบร้อยก็มีเทวดาองค์หนึ่งบอกว่าท่านครับผมอยากจะขอความเมตตาจากท่านทำไม่ต้องการอะไรอยากให้ถวายสังฆทานหนส่งชุดหนึ่งอีกองค์หนึ่งบอกว่าผมอยากจะได้ออนิสงส์บทพระครับขอบทพระพระงพระองค์เทอเถอะ ก็เป็นว่าไม่รักกันสองในการถ้าทำไมไปเทวดาแล้วบอกว่ากลายเปเทวดาแล้วยังไม่พอใจหรือเขาบอกอิสงส์สังฆทานขาดไอิสงบตรพระขาดสวยสุดมารมัยวนันหนึ่งเขาไม่ได้หนะึเขสวยกว่าที่เขามีนะก็เลยถามบาปในสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ก็รู้อยู่อะไรเป็นบุญเป็นบาปทําไมจะไม่ทำอย่างครบ ถาวายสคงอธิษฐก็เปขอทําไม่ยากการบวชพระก็ไปของไม่ยากเขาบวชกันทุกปีถ้าเราจะเงินไปร่วงเขาสองบาทสองบาทก็าก็เมียสงาาการบวชพระทําไมจึงไม่ทำเกิดเลยนี่เลยถามพระยาโยมาว่ามาวานิพุทเจ้าเทศทําไมเทวดาสององค์นี่จึงไม่เข้าใจมาวานีิพุทเจ้าเทศสั้น ทานบอกว่าท่านเทศตาวัาตยาใสของคนท่านเคยแนะนําบอกว่ายาเทศให้มันยาวนักอย่าใช้เรื่องพองมันมากต้องดูรัตดูคนกลุ่มของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนบางกลุ่มต้องการฟังเทศยาวคนบางกลุ่มต้องการฟังเทศสั้นสำหรับคณะของคุณต้องการสั้นไม่ต้องกานยาว หมายความพูดสั้นๆพราเข้าใจกันได้ก็ใช้ได้ทีนี้ก็ถามพญายมพญายมบอกว่าเทวดาสององค์เพิ่เกิดใหม่ครับเพิ่งเป็นเทวดาวันนี้โอ้เป็นใหม่เอี่มเลยเมื่อวานนี้พระุทธเจ้าเทศน์มาเด้ฟังแต่ว่าทั้งหมดจะเป็นเทวดาชั้นยามานะชื่อขาวนี่ชั้นยามา จะมีเทวดาอักยี่สิบองค์กว่ามั้งเข้ามาใกล้ๆบอกผมเคยเป็นสุนัขที่วัดท่านครับหมาที่เลี้ยงไวน้นะโยกทรงชักอายหมาไหม <c oughs> เคยเป็นหมาที่เลี้ยงไว้มีตัวหนึ่งตายหลังที่สุดบอกว่าผมเพิงตายวันซืนนี้ครับเมื่อวานนี้จะฟังเทศจากผู้เจ้าเดิมทีเดียวผู้อยู่ชั้นดาวดึง พอฟังเทศจะพุทธเจ้าจบจิตสะอาดขึ้นเขาให้เลื่มนอนชั้นเดียมาเห็นไหมเก่งไอ้ขวัญไอ้ขวัญมัวขายเทศอยู่นะก็เป็ว่ามอเอานี่ก็แล้วกันนะการถวายสังฆทานก็ดีมวดพระก็ดีอริสงมากแต่อริสงก็แค่การมาวจรสวรร์ฟังเทศดีกว่า ถ้าฟังเทศแต่เธอสามารถปฏิบัติได้เธอก็จะมีโอกาสเป็นมรสูดาบันเป็นอย่างน้อยพระพุทจะนัน่งกับพระอาหารหันต์พระบอกว่าจะเทศเห็นเทวดากราบทั้งหมดกราบแล้วงอนหน้าเลยหัวไปฉันก็สงสัยเทวดาจะว่าอะไรหันไปดูข้างหลังพุทธเจ้าโอปถมมานั่งที่แท่นเทอเทศ ไอ้แท่นน่ะเขามีไว้สำับพระธิดาแล้วก็ยา ย, าย อ, อบรมคนอบรมเทวดาฉันก็บอกว่าเธออย่าเทศไรฉันเทศเองดีกว่าถามถัำไมครับเธอเทศประเดี๋ยวพาเขารกเขาป่าไปหรอกไม่ตรงทางก็เลยดีเลยอ่านไปพนมมือตั้งใจฟังเทศันกระเทศกันเดียวกระบอกที่บุกตงวานนี่นะ เท่เหมือนกันนะบอกเท่เท่านี้ก็พอการเมื่อวานนี้จําได้ไหมได้เลยได้กระมัดชนไม่ต้องบอกขอย้ำอนิดหนึ่งว่าหนึ่งท่านบอกจงนึกถึงความตายไว้เป็นอารมณ์ให้ถือว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเทีย่ยงญาติโยมฟังแล้วก็จําไปดินะจแล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วย ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงก่อนที่เราจะตายพยายามสร้างความดีเข้าไว้จงอย่าตามนึกถึงความชั่วที่ทำแล้วคือบาปทั้งหมดบาปทั้งหมดที่ทำอย่านึกถึงมันลืมมันซะเลยนึกถึงอย่างเดียวความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ตาม เรื่องการทำบุญกุศลใ ด, ดก็าตามเป็นความดีที่พาเราอย่งางน้อยพาไปสวรรค์ให้นึกถึงแต่ความดีเรืการในสองให้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ความเคารพประการในสามจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ฉันบอกว่าถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ทุกท่านจะเป็นประโสดาบัน ถ้า แ, แท่งกระชี้ให้ดูนรกว่านรกต้นไฟโชดอยู่ข้างหน้านน้นไกลมากไฟแดงเองเดเวนไกลั้งบอกว่าเทวดาทั้งหมดที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดมีบาปติดตัวทั้งหมดทุกองจะมีบาปมากกว่าบุญเนี่ยใสยบุญเล็กน้อยจงมาเกิดเป็นเทวดาแต่บาปที่มีกำลังมากกว่าพอท่านพูดถึงบาป ไอ้เงาดำมันเกิดขึ้นในในกายเทวดาเห็นชัดเห็ น, นชัดเทวดาท่านเลยบอกว่าจงอย่าไปนรกตั้งใจไปนิพพานโดยตรงถ้าท่านกระชี้ไปข้างบนทุกคนเห็นนิพพานทั้งหมดนิพพานมีสีขาวล้วนสือแก้วนะไม่นช่ขาวธรรมดาไม่มีสีอื่นใสามากที่เป็นได้เป็นแดนสงบ หลังจากนั้นตั้งแต่นั้นผมว่าถ้าต้องการพันิพาณให้ทุกองค์คิดอย่างนี้คิดตามด้วยตัดสิ้นใจด้วยให้เสร็จไปคือใครคิดว่ามนุษย์โลกเบนแดินแห่งความทุกข์เราไม่ต้องการมาเป็นมนุษย์ยต่อไปที่วโลกกับพรหมโลกมีความสุขจริงแต่รต่ว่ามีความสุขไม่นานเมื่อหมดบุฒวศาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ ถ้าเราไปนิพพานคําว่าจุติหรือตายไม่มีจะอยู่ที่นั่นงานทุกอย่างจะไม่มีใ น, นนิพพานถ้าต้องการอะไรทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นเองสมมติว่าเราเดินไประหว่างทางในบริเวณบ้านถ้าคิดอยากจะนั่งตรงนี้ความจริงมันไม่มีแต่ไม่มีเตียงมีตังคอนั่งลงไปจะมีเตียงมีตังมารับทันทีโดยไม่ต้องคิดหือว่ า, าไม่ต้องไปนั่งขายเทป ห้วยปลานะมันมีทุกอย่างไม่ต้องใช้คนก็ลงความว่าท่านเท์อย่างตรงนี้ก็บอกเท่านี้นะทุกคนนะจำมาดีนะถ้าความยิงความหมายได้มีมากทันเทศเสั้นๆจะบอกการเทศกับเทวดาก็ดีกับคนกลุ่มของคนก็ดียาเทศยาวเทศยาวเสียผลนับสองฝ่าย ฝ่ายฟังก็ฝ่ายเทศฝ่ายเทศก็หน่อยแลาไม่มีผลให้ฝ่ายฟังก็ลำคัญไมไ่จะจบพักทีใช่ไหมก็เป็นว่าวันนั้นจบวันที่สิบสามนะ <c oughs> เป็นการจบไอ้น่อยากจะเข้าสุมนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนคนหน่อยๆ น, นะ <c oughs> แล้วนั้นมาวันที่สิบสี่ วันนี้ขอเล่าเด็กสองวันโคกกันนะวันที่1ิสี่ก็เหมือนกันเพราะเริ่มออกจากตัวเรียกว่ามีกายซ้อนกายจะไปเทวสภาวันนั้นก็ไม่ได้ไปเทวสภาก็ได้ยินเสียงพยา ย, ยมได้บอกคุณอย่าเพิ่งไปมันเดี๋ยวไปสนกคุ้งก่อนทำมาลุง ทำไมมิตรรากมากเท่ากับบอกมีความจําเป็นท่านก็พาไปสำนักของท่านแต่วันนี้ก็เห็นเทวดาแต่งตัวเต็มยศอีกเหมือนกันเทวดาตั้งแถวเหมือนกันทันที่กล่าวมาแล้วนะในเมื่อเห็นตามธรรมดาที่ไปเนี่ยเคยไปเรื่อยๆทุกวันะจะเทวดาไม่เคยแต่งตัวเต็มยศถ้าเทวดาแต่งตัวเต็มยศก็หมายความว่าต้องมีอะไรพิเศษต้องมีพระเจ้าเสด็จเป็นต้น เมื่อไปถึงไปนั่งอยู่สักครู่หนึ่งก็มีคนประมาณสามสิบคนยืนอยู่ข้างนอกมีเทวดาคุมอยู่แล้วก็มีคนอีกประมาณสองหมืนคนเสร็จถูกคุมอยู่ข้างนอกยืนค้มหน้าพญายมทั้งก็บอกเทวดาบอกว่าไปประกาศเช้านะว่าเวลานี้พระมาอยู่ที่นี่แล้ว ใครต้องการพบพระบ้างให้เขาให้เขามาได้ในห้องโถงเป็นนว่าคนสามสิบคนที่เทวดาคุมอยู่วิ่งทันทีเลยวิ่งมาในห้องโถงมาถึงก็กราบแต่อีสองมื่นคนจะเสจยืนเป็นตุ๊กตาก้มหน้าเฉยเทยวดาเขาก็กราบจนสามครั้งทั้งสอง0มื่นคนเสร็จไม่มีใครสนใจตอนนี้าญาติโยมพุทธวิสั์ ทุกคนฟังแล้วก็จงอย่าหวังคิดว่าถ้าเราตายญาติจะทำบุญให้นะอย่างนี้ญาติทำบุญให้ก็ไม่มีผล <c oughs> ไม่มีโอกาสโมโนาอย่างไรงก็ต้องไปนรกเราทำเราเองดีกว่ามันแน่นอนหลังจากนั้นแล้วก็เมื่อมีม า, ารงสรรคอยู่คนมานั่งอยู่แล้ว ก็ถามว่าต้องการพบฉันเรื่องอะไรแจก็เล่าความหลังให้ฟังว่าสมัยก่อนก่อนที่ผมจะตายผมเคยฟังเทศพระทังกระเทศเฉพาะว่าตายแล้วศูนย์ไม่เกิดใหม่ต่อไปผมก็ทำความชั่วทุกอย่างที่มันจะนนสามารถจะทำได้จกปานาติบาตเป็นต้นฆ่าสัตว์ก็ฆ่า ขโมยก็ขโมยตามความจำเป็นคนเราไม่จำไม่จาเป็นนี่มาขโมยนะเห็นไหมล่ ะ, ะจำเป็นจะต้องเอาอ <laughs> ขโมยก็ขโมยเป็นต้นแต่ว่ามาสองปีที่ผ่านมาบุตรกับปัญญาปัญญาของผมก็บุตรเขาไปีิวัตท่าส่ง <laughs> เขาไปได้หนังสือประวัติพรอปานมาเล่มหนึ่งผมก็อ่าน อ่านเที่ยวที่หนึ่งก็ยังไม่แน่ใจอ่านจบที่สองสักดีใจขึ้นอ่านจบที่สามมั่นใจว่าพระองค์นี้เคยตายแล้วก็เอาเรื่องความตายมาเล่าฟังตายแล้วต้องไม่สนจริงก็เริ่มทาบุญเริ่มตั้งใจทำบุญถ้าทำบุญไม่หนักนัก้า ต, ตอนมาขั้นสุดท้ายแต่ว่านายรยาเนัน้นก็ตั้งใจว่า ที่เขาเขียนไว้ที่หนังสือว่าฤาษีรีงดำปเป็นคนเขียนก็อยากจะพบฤาษีรีงดำไม่รูร้ ร, รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็แต่ว่าโอกาสจะมาไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่มีวันสำคัญอย่างเป่าอย่าง์ต่อเพิกเป็นต้นจะมาบ้างลูกกับเมียเข้ามาซะเองแ่ก็ต้องอยู่บ้านเข้าบ้านรักษา อย่างนี้ทุกเที่ยวจะมาที่ไรก็ไม่มีโอกาสลูกกมเนื้เข้ามาเองไอ้จิตที่คิดถึงเดือสีดินดดำนั้นมันข้องอยู่ในใจต้องการอยากจะพบพต่ที่เวลาตายจริงๆก่อนจะตายจิตมันมัวมึดไม่นึกถึงบุญกุศลเมื่อจิตออกจากร่างไปแล้วเป็นตัวึ้นมากเรก็เห็นเทวดาสีองค์เย็นอยู่ก็าถามว่ามาทำไม เทวดาก็บอกว่าจะมารับคุณไปสนักพญายมแกก็เลยบอกว่าผมไม่อยากไปครับอยากไปหาฤาษีจึงดํา <Okay. S 1> เทวดาบอกว่าไม่เป็นไรเวลานี้พญายมนี้มนฤาษีจึงดําไปที่สํานักแหล่าไปคอยอยู่ที่โนนเอเห็นไหม oh. แกก็เดินไปไปคูยเทวดาอย่างกันเองทั้งหมดไม่เป็นคนนึกถึงบุญได้เนี่ยนะพอเนึกถึงพระได้เขาไม่เอานารกเขาไม่เอา พอถึงจะเมื่อเล่าให้ฟังเสร็จก็เลยบอกว่าในเมื่อพบแล้วต้องการอะไรบ้างก็เลยบอกว่าผมไม่รู้จะต้องการอะไรครับก็บอกว่าความจริงคุณนึกถึงพระได้นะคุณเป็นเทวดาได้แล้วธรรมะจะไม่เป็นเทวดาจะบว่าจิตมันคล่องต้องการจะพบต้องการจะพบก่อนแล้วไปไหนก็ไปสือไปได้ก็เป็นนว่า ถ้านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปสวรรค์นะสิแกบอกยังไม่ไปอยากจะฟังเทศก่อนตอนนี้สมเด็จอมตะมก็มาอีกใช่ไหม <S S S S ท่านมาเช่นประเทศทันที่แล้วมาประเทศจบรรศพระโกวเทวเทวดาทั้งสามที่องค์เป็นพระโสดาบันหมดเมื <S S S ่อหมดเวลาแล้วฉันเลยไปที่ดาวดึงไปที่เทวสภา ไปขอบใจเทวดานางฟ้าทั้งหมดสมเด็จอุปสมทั้งกระตามไปด้วยพ่อขอบคุณเขแล้วโอปสมทั้งประเทศปเทศกันเดียวกันก็เทศจบก็จะไปนิพพานแต่โอุปสมตทองบอกว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพงศ์ก็ดีทั้งหมดเขาช่วยคุณทุกอย่างเวลาคุณบปนิพพานแต่มันไม่ชวนเข้าไปคุณจะชวนเขาไปด้วยก็เลยชวนท่าน เมื่อชวนไปถึงนิพพานนะทุกอ์ก็นั่งอยู่ที่วิมานหลังใหญ่ที่มาจริงๆมันมีสามหลังแต่โมติหลังเดียวก็พอฉันก็สงสัยว่าทําไมต้องมีสามหลังแต่ไปที่ไรก็ไปนั่งในหลังที่เคยนั่งอีสองหลังไม่เคยเข้าไปก็บอกว่าหลังนี้เป็นที่นั่งของคุณอีกหลังหนึ่งข้างหน้าเป็นที่นั่งขอพระเจ้าชัาน อีกหลังหนึ่งเป็นที่นั่งของเทวดารกพุมนางฟ้าพอไปถึงที่นั่นแล้วก็ปรกากฏเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีทระดีมีรัศมีกายสว่างไสวกว่าเดิมมากแด้พระพุทธเจ้าทรงตัดเทศทรงเคราะห์ชี้ให้ดูนิพพานว่าเทวดานางฟ้าระพุมหลายท่านเดียวกันจํานวนมาก มีวิมานอยู่ในมร่ิพานแล้วทุกคนถ้าอยากจะต้องการจะมาที่พานจะไปที่ตัวภัยได้แต่วา่าถ้าจะมาที่ตรงนี้จะขอยากจะขอก่อนท่านเลยหันมาหาฉันอกว่าอนญาตเขาสักที่ว่าวิมานหลังใหญ่หลังนั่นใครจะมาพักมาเที่ยวมาอะไรก็ได้แต่สองหลังนี้ห้ามสมรสิทธิใช่ไหม ก็เป็นว่าเทวดากับผมก็ดีใจเมื่อท่านจบท่านเทศจบแล้วก็อนุญาตเทวดากับผมแล้วก็กลับอรันดาญาโยมพุทธบริษัทยังไม่เลิกพวดตรงขี้เยอะเดี๋ยวต้องเข้าส้วอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็เป็นว่าญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วนะจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทําไมจึงเทศสั้นๆเทศโดเฉพาะ ความยิมมจตเจ้าท่านเทศยาวก็ได้สั้นก็ได้น้อยก็ได้มากก็ได้ท่านเทศเฉพาะตามกําลังใจของคนคนกลุ่มนี้ควรเทศสั้นก็เทศสั้นคนกลุ่มนี้ควรเทศยาวก็เทศยา ว, ยาวอย่างท่นเทศกับภายะก็สั้นมากเพราะพายะเธอจงอยาสนใจในรูปเป็นแค่เท่านี้ท่านภายะก็เป็ น, ป น, พ, รปนพระอรหณ์เพื่อไปสัมพิธายาน ทั้งเลยบอกคณะของคุณก็เช่นเดียวกันอย่าเทศให้ยาวให้จำไม่ได้พอขึ้นต้นก็จำต้นถึงปลายก็จำปลายต้นหายไปเลย่ตรงเรืนั้นไม่เปล่าถ้าบอกเอาแค่นี้ก็พอแค่นี้วันนิ้ผ่านได้อาวมนไดาญาโยพุทธบริสัทธ์ทั้งหลายตอนนี้ก็หมดเวลาพูดความยิงเวลาเหลือีกสามนาทีฮนะ ทุกท่านตั้งใจสมาทานสิ่ตอกามฐานอาตมาจะไปสู้ก่อนนะมันปวดใจอ้าวปวดอะไร มาริปังราคาตระโทเวาติขันธะปาณาจักรปุตติมาราชายตาบิสุปุตติทัตตาอมุตมานาภพาจิมันตุจิมันตุวันลวันตุเยตาิโนมุตมานาสังตุตัดันิธรรมาทมิ เว n าทิบุหันอาณานิบาติภาระอาสติโตุตาริทัสสุมาณะเพรละิมันตุดิมันตุโนวันตุปะโนมุตมะณะทังตุ ปฏิมา i นสังราชอาลีโ a โคเวตาตินาคานังอะบุ a ติมาอาราชาเศรษฐีโทปุตติตัสสัตว์วุฒิมาอะพุาติมันตุติมันตุวันวันตุเศรษฐีโนตุาณังโอเทรามิสังราาลีโรต